บุ๊กทูหกสิบแปดชัสตตใหญ่เล็กบูร์กคูชัใหญ่และเล็กบูร์กะคูชัช้างตัวใหญ่ฟีล หหนูตัวเล็กมูชคูช่าแจสต์มืดและสว่างทอริว่าโรชัตอนกลางคืนมืดชับทริกแตอนกลางวันสว่างรูธโรชัน แก่ชลาหนุ่มสาวพีรแวจาวอนคุณปู่คุณตาของเราแก่มากเพดาร์โบซ ن ร์ ل ی มนลีพีรส์เจ็ดสิปีที่แล้วท่านยังหนุ่มอูห์ฮซเลพีชฮานูสจาวนบูดสวยและน่าเกลียด ز ی บ ا و زشت پی ผีเสื้อสวยพาร์โวเน่ซีบอสแมงมุมน่าเกลียดอันคาบูตเซิชต์สอ้วนและผอมช็อกและโลกาผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วนยกซันบสสคิลูชัส ผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอม یک مرد با پنجاه کیلو ล اغر است ัสแพงและถูก گران อและอรถราคาแพงออโตโมบิลเกอรอนหนังสือพิมพ์ราคาถูกรูสโนเมอาร์จอนน